เก <Book> <92. S 3> ้าสิบสองตมให้เรีนดูอนุประโยครองลงมาที่สองสหตุกปะวัติศาลูเรีนดูดิฉันโมโหที่คุณนอนกลนมีรอกรรุรนกะกประทารนีนักกบังกาอุนด ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มากมีรัชชาลัากกวาดเบียรต์ตากุ้ยตีน่า่าดิฉันโมโหที่คุณมาช้าชาลัยอาลัยเสงิกับสดีนี่นว่ า, าว์นดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมออายนาอานนุนี้ก็ว่ากันด็อกเตอร์อวสธรรมุนเดรต ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบายอายนะวนเล บ, บาเลดนี้นาการนิพิสนดิดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่อายนะนิรนารนีนากานิินะนสตนดิเราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเราอายนะมนา ม, มายนิเปลิเชสนเนเนุนาร์นีเนนาสิสตุนนะเราหวังว่า เขามีเงินมากอายวัดดาชาลาดับบุนตดนีเนน่าสิสตุนะเราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านอายนะโคตรลาดีปตยานีเนน่าสิสตุนะดิฉันได้ข่าวว่าพรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุมีบาริคประมาดนเจอิดดนีเนนวินนาโน ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลัลนดิวน่า้ดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันมีกอปูติาดมสมัยในิเ น, นวนานดิฉันดีใจที่คุณมามีรวช ดิฉันดีใจที่คุณสนใจมีโกอาสะเดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้านม u ริยิล น, นักุักนากาสันโตชังเดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วชีวาริบัสิปัดเกะเวลิโปนันตนจินติสตุนนานุ ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่มนันบับที่่ว น, นดนนนานาน่ิาดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้วนาวดะอีกดาบบุ ล, ล่นันตะกูเนีนชินที่สน า, นานุ